ที่สงจะต้องทำ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 ที่สงจะต้องทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้น 4. ี่ พิกสุเราได้เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำพิกษุเรานั้นห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหออกหินดีในเสนาสนะป่าเจ็ดตั้งใจอยว่าเพื่อนพิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาัตขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทรเจ็ดประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว <c oughs> อันนี้เขาคุณธรรมเจ็ดประการนี้นะถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็ทรงแสดง โดยตรงต่อภิกษุสามเณรนในพุทธศาสนานี้แต่ว่าก็มีประโยชน์ต่อทายกทายิกาโดยทางอ้อมเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนั่นแหละสำหรับพระภิกษุสามเณรและพภะศาสดาทรงสอนให้มันประชุมกันบ่อยๆนี่ ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่อย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรกันไม่ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้และให้แก่กันและกันสำหรับผู้เป็นประมุข ป, ประธานท่านผู้ที่บวชเรียนเขียนอ่านปฏิบัติมาก่อนท่านย่อมรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมาก่อนเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่แล้ว ผู้บวชเข้ามาในภายหลังมันก็ต้องไม่มีความรู้อะไรพระไม่ได้ยินได้ฟังถ้าเพียงแต่เรียนจำตามตำรับตาราเฉยๆนี่ถ้าไม่นำมาอธิบายชี้แจงถูกก็ฟังอีกทีหนึง่งมันแทบจะไม่มีใครปฏิบัติตามเสียเลย ไม่สนใ จ, จเลยจำได้แล้วก็แล้วไปอันนี้หมายความว่าเราฟื้นเอาความรู้ที่เรียนกันมาเนี่ยนะเอามาที่แจงถูกกันฟังเพื่อให้ผู้ฟังได้ทบทวนความรู้ที่ตนเรียนมาให้มันช้าชองไว้อย่าให้มันลบเลือนหายไปนี่แหละการมันประชุมกันนี่มันมีประโยชน์ ผู้ที่มีความเห็นผิดอยู่ในใจก็าอาจจะกลับจิตมีความเห็นถูกไปได้แต่อย่างนั้นเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมนะี่นนนพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทนี่ยตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามกติกาอย่างว่าพูดถึงกติกาสองอย่างนี้นะในวัดหนึ่งๆ น, งนี่อาจจะตั้งกันนี่ก็ กติกาไว้ไม่เหมือนกันอันนี้ท่านก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละวัดอย่างเช่นวัดอรัญญบัรพตนี่ก็มีกติกานัดประชุมกันอย่างนี้แหละเวลาบ่ายสี่โมงอย่างนี้ ทุกคนรู้กติกาของวัดแล้วอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้มันทันกับเวลานั่นเนให้มันได้มาชมนมพร้อมเพียงกันไม่ควรที่จะไปอืดอาดยืดยาิอย่างนั้นท่านเรียก ว, ว่าเป็นคนประมาทคนไม่เอาใจใส่ในระเบียบในกฎกติกาของหมู่ของคณะ คูนั้นยอมจะไม่เจริญต่อไปได้ก็เราไม่มีธุระอะไรนี่นะนั่นไงก็มีเท่านี้อ่ะบวชเข้ามาแล้วนะ น, น, นั่นไงก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องประชุมกันจะต้องสดับตรับฟังธรรมะอันเป็นอุบายสงบ ก, กายสงบใจอันเป็นอุบายเรืองปัญญา ทำให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเพราะปัญญาย่อมเกิดจากการฟังนี่สายหนึ่งเกิดจากการดำริตรีตองภายในใจนั่นอีกสายหนึ่งเกิดจากการนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบสงบลงไปนี่อีกสายหนึ่งปัญญาจะเกิดได้ก็เพราะบำเพ็ญตามทางสามสายนี้เองแหละใหพากันเข้าใจ ทีนี้สายที่สามนั่นได้แก่การภาวนานั่นมันก็ต้องอาศัยที่อาศัยสายที่หนึ่งที่สองนี่แหละสนับสนุนถ้าไม่ฟังถ้าไม่เรียนไม่จําโอวาดคําสอนของอุทเทจาให้ได้ก่อนแล้วจะนําเอาคําสอนโอวาดอันนั้นไปดำํำริตรีตองได้อย่างไรและะ้ววันนี้นั่นเองเมื่อเราเรียนจําได้แ ล, ละะ้ววันนี้ก็น้อมเข้าไป ในใจนน้อมเอาความรู้ที่จํามานั่นนะเอาขณะนี้เราจะพิจารณาธรรมะข้อนี้แหละหรือหมวดนี้แหละอย่างนี้นะนั่งส ง, งบจิตแล้วกันน้อมเอาธรรมะหมวดนั่นข้อนั่นเข้าไปภายในใจอภิวินิชัยในใจนะั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้นะมันมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างไร บมุ่งหมายให้พุทธศาสนาสนิกชนปฏิบัติดัดจริตนิสัยของตนให้เป็นไปอย่างไรนี่เราก็วิจารณ์ดูข้ออัดข้อทำนั้นเพราะว่าข้ออัดข้อทำแต่และข้อนั้นนะมันมีมันเป็นมันมันเป็นธรรมะที่อที่บุคคลจะพึงกระทำใจของตนให้เป็นไปตามธรรมะนั้นหมายความว่าอย่างนั้น มันถึงกิเลสมันจึงจะเบาบางออกไปจากกิจใจก็ยกตัวอย่างเส้นอย่างที่แสดงให้ฟังมาบ่อยๆนั่นแหละเส้นเมตตาพโมวิหารอย่างนี้นะเมื่อเราเอาไปดำริในใจลงไปโอ้เมตตานี่คือความรักใคร่ความเอ็นดูอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราทำใจให้ประกอบด้วยความรักใคร่ความเอ็นดูต่อตัวเองและต่อบุคคลอื่นทัพย์อื่น เช่นนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็จะต้องเบาบางออกไปแน่นอนอย่างนีนี่คําว่าเมตตาเนี่ยเมื่อเรามาวิจารณ์ดูนี่มันก็เห็นแนวทางปฏิบัติแล้วเราจะต้องทําใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วความโกรธมันก็จะเบาบางออกไปเมื่อเรารู้ในแนวทางปฏิบัตินี่เราก็พยายามทําใจของตนเองให้เป็นไปตามนั้น นี่ยกตัวอย่างให้ฟังข้อธรรมะนะเพียงบางข้อเท่านี้แต่ข้อธรรมะอื่นๆมันก็มีความหมายเหมือนกันมีความหมายในทางปฏิบัตินะเช่นสันตุถิประมังทานังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐอย่างนี้นะ อา้าวความยินดีตามมีตามได้เหตุจไหนพระองค์เจ้าจึงทรงแสดงว่าเป็นทรับอันประเสริฐนี่มันมันมีเรื่องที่เราจะต้องวิจารณ์อยู่นะเอา่าให้เข้าใจถ้านั่งฟังถ้าหาว่าพิจารณาไปผิวเผินแล้วแล้วมันจะเป็นทรับอันประเสริฐได้ยังไงพอยินดีตามมีตามได้อา้าวหาไปแล้วแต่มันจะได้มาอยังไงก็เอาอย่างนั้น แล้วถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้นะมันจะร่ำรวยได้ยังไงมันจะมีเงินมีทองมากมายได้ยังไงถ้าพิจารณาผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปมันถึงจะเห็นว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐจริงๆเพราะคนเราน่นะถ้าทำความพอในใจเป็นแล้วก็มีความสบายนี่นั่นแหละเรามีเงินอยู่ พันบาทอย่างนี้นะเราก็ยินดีใช้สอยอยู่ในเงินพันบาทนั้นเม้คนอื่นเขาจะมีเงินล้านอย่างนี้เราก็ไม่ทะเยอทะยานเราก็ไม่ไปอิจฉาลิษยาเขาเราก็ยินดีอยู่ในทรัพย์ของตอนเองเท่าที่มีอยู่นั่นแหละเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะอเรามีน้อยก็ใช้จ่ายตามน้อยไปอย่างนี้ใจก็สบายไป ก็คล้ายๆกับว่าคนได้เงินหมื่น เ, เงินล้านเงินโกดนั่นเองเนี่ยเพราะว่ามันพอเป็นเนี่ยทาความพอในใจให้เป็นอันนี้แหละที่เจ้าตัดว่าความยินดีตามตามีทําได้นั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะเพราะว่ า, า, วาบางคนนะ่ะมีบุญน้อยอย่างนี้น ะ, สะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรม า, มา ก, ก็ได้แต่น้อยอย่างนี้นะ ถ้าหาว่าไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติอันได้มาแต่น้อยอันนั้นแล้วมันก็เกิดความโลภขึ้นเพ่งเลงอยากจะไปได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้ได้ไปเบียดผู้เบียนผู้อื่นเข้าไปก็สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเองไปนี่ไอความไม่ยินดีตามมีตามได้นะมันก็เป็นอย่าง น, นั้นนะมันก็ให้เกิดทุกข์เกิดโทษ ข้างในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เป็นอย่างนี้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนะถ้าว่าพูดถึงทางครือขัสอย่างนี้ก็พระ อ, องค์เจ้าทรงบัญญัติสินห้าให้ครือหัดเป็นผู้รักษาเป็นครือขัสก็ต้องยินดีพอใจในอันที่จะรักษาสินห้านั่นให้บริสุทธิ์หรือเลื่อนขึ้นมาสูงกว่านั้นก็ได้แก่สินแปดสินโอสด อย่างนี้สินแปดนี่เป็นคารืหัดก็รักษาได้แต่ถ้าหากว่าจะรักษาไปอยู่นานอย่างนี้ก็ต้องนุ่งขาวหมขาวแต่ในครั้งพุทธเจ้านั้นเพื่อ น, นิยมกันเนะ่นิยมนุ่งขาวห่มขาวกันการรักษาโอสถสินนี่นะนั่นนะี่ยนุ่งขาวห่มขาวกันแต่ไม่โกนผม อย่างนั้นแล้วก็ไม่ไม่บัญญัติให้เลยจากนั้นไปแล้วก็ไม่ถอนให้น้อยลงเป็นบางคนแบบข้าพระเจ้ารักษาได้แต่สินสีเท่านั้นแหละเพราะว่าได้แต่สินสามเพราะว่าออย่างนี้เรียกว่าถอนพุทธบัญญัติออกไปมันก็ไม่พ้นจากบาปแล้วเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าผู้ใดรักษาครบทั้งห้าอย่างเช่นนี้นี่มันก็พ้นจากบาปไปได้เพราะว่ากรรมชั่วทั้งหลายในโลกนี้นะไม่นอกเหนือไปจากห้าอย่างนั้นหรอกห้าอย่างนั้นเป็นหลักเลยเดียวแต่และมันก็เป็นแตกเป็นกิ่งก้านสาขาออกไปเท่านั้นแหละบาดนี้พูดถึงฝ่ายพิษุสามาเนน อย่างนี้ก็ดีก็ถ้าเป็นผู้ละเลยไม่สํารวมในสิกขาบทวิในน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปนั้นก็ค่อยๆยั้นว่าถอนพุทธบัญญัติไปเรื่อยๆไปแหละอ่าเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นลูปียะเนี่ยทรงห้ามรับเงินรับทองใช้จ่ายเงินทองด้วยตนเองอย่างนี้เนี่ พิกตุสสามเณรบางรูปยังไปล่วงไปล่วงแล้วสําหรับชาวบ้านนั้นเขาไม่สนใจกับเรื่องวันนี้อ่าพระเรนี่จะไปซื้อของเขาไปจ่ายเงินนี่เขาก็เอาวันยังข้ามเะยเขาไม่ว่าอะไรหรอกอเป็นอย่างนั้นแต่พุทธบัญญัติถักห้ามไว้ถ้าใครขืนล่วงเกินไปมันก็ต้องเป็นโทษเออมันเป็นอย่างนั้น แต่คนผู้ที่ปราศจากนี้ได้อดตรปธรรมแล้วไม่กลั ว, ไ ม, ลวไม่กลัวโทษแต่อย่างนั้นเพราะว่าเมื่อทำลงไปในขนาดนั้นแล้วมันไม่ให้โทษในปฏิวัตทันด่วนเหตุนั้นมันถึงไม่กลัวกันนะคนเรานะทำไปแล้วก็เฉยเฉยไปนี่ไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันหยาบมันมีอวิชชาโมหะครอบงาอยู่ ดังนั้นมันถึงไม่กระดากกระเดื่องไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อผลแห่งการกระทํานั้นมันจะนำทุกมาให้ดังนั้นนะพิกษุสามเณรเนี่ยควรพากันพิจารณาข้อทาข้อที่สามนี่นะให้มันละเอียดถี่ถ้วน ให้ได้แล้วสำรวมระวังตามข้อที่สี่ภิกษุเราได้เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็จะต้องศึกษาต้องพิจารณาให้เข้าใจเหตุผลโดยแจ่มแจ้ง และสมัยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้เคารพนับถือผู้เป็นหัวหน้าเป็นพระผู้ใหญ่ผู้ที่บวชมานานผู้ประพฤติทำสม่ำเสมอไม่มีด่างไม่มีพร้อยอ น, นี้นะมันก็เป็นธรรมเนียมมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมในทางโลกอย่างนี้นะหมูช้อนหมูหนึ่งหนึ่งนี่ มันก็ต้องมีผู้หนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ที่จะเป็นหัวหน้าคนนั้นก็ต้องมีคุณสมบัตินั่นแหละสำหรับครหัสถ์เนี่ยก็จะเป็นผู้มีฐานะดีแหละคนไม่มีฐานะดีจะไปเป็นหัวหน้าคนอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยเคารพนับถือเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะเช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้นะถ้ามีฐานะตกสอยอย่างนี้ ราษฎรไม่เคยเขารบหรอกถ้าใครมีฐานะดีเรายกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เ, นเองเก็มีคนเขารบเอื้อเฟือ้อนี่มันเป็นอย่า ง, งานั้นคุณสมบัติของผู้นำหมู่นี่มันต้องมีนอกจากมีฐานะดีแล้วก็มีความประพฤติดีมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวมีเมตตาสูง คิดบำเพ็ญประโยชน์ตนแล ะ, ปร ะ, ป, ระประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กันไปแล้วก็ไม่รู้อานาจแก่ความโกรธอดกั้นทนทานต่อความโกรธได้อดกั้นทนทานต่อคํานินทาว่าร้ายต่างๆอธรรมดาเป็นผู้นําหมู่เนี่ยอทําอะไรไปเมื่อไม่ไม่พอใจกับคนใดแล้วคนนั้นเขาก็ยกโทษตีเตียนเอาอย่างนี้แหละ ถ้าเราทําอะไรพูดอะไรไปถ้าเขาได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วพออกพอใจเขาก็สนับสนุนเยินยอให้เขี้นี้ก็อย่าไปหลงไปเพลินกับคําสนับสนุนเยินยอนั้นต้องรู้เท่าทั้งคํานินทาทั้งคําสนับสนุนก็รู้เท่าอ่อย่างนี้แหละผู้เป็นผู้นําหมู่นี่นะต้องมีจิตใจคอหนักแน่นออ แม้เป็นพระเถระผู้บวชเข้ามานานแล้วอย่างนี้ก็ดีมันก็ต้องมีคุณสมบัติอตามพระธรรมวินยัยที่แสดงไว้แหล ะ, ะคุณสมบัติอันสําคัญก็คือเป็นผู้มั่นคงอยู่ในพระธรรมวินยัยเคารพต่อธรรมต่อวินัยด้วยดีนี่อันนี้พูดเอาแต่รวมๆถ้ากระจายออกไปแล้วมันก็มากเลยเมื่อเคารพปฏิบัติ เข่งคัดอยู่ในธรรมในวินัยแล้วก็ย่อมเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของผู้น้อยอของผู้ที่บวชเข้ามาในภายหลังพูดอะไรก็มักจะเชื่อถ้อยฟังคํานี่ถ้าเป็นผู้รักผู้ใหญ่แลรร้วทําตนไม่ให้มั่นคงอยู่ในธรรมในวินัยแล้วให้ผู้น้อยเห็นความเหลวไหลในความหลบเพลิแล้วมันจะแนะนําสั่งสอน ผู้น้อยอย่างไรผู้น้อยก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้เมื่อผู้น้อยนะเห็นว่าผู้ใหญ่ประพฤติตรงต่อทำต่อวินัยส่วนใหญ่ไหมเพราะว่าอย่างนั้นแหละแม้จะมีบกพร่องบ้างอย่างนี้ก็นับว่าไม่เสียหายอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วมั่นคงดีอย่างนี้เราเป็นพระผู้น้อยพระพระิระระระสุสัมาเนนผู้น้อยก็ต้องเคารพนับถือท่านผู้เช่นนั้น เป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ยอมให้แนะนำสั่งสอนได้ไม่รวมน้าแก่ความอยากที่เกิดขึ้นข้อนี้ก็นำะมาสำคัญมากเพราะว่าคนเราเกิดมาในโลกนี่นะเมื่อยังไม่ได้บรรลุอรหัตอรหันต์เมื่อใดแล้วที่แลยตัณหามันก็มีอยู่ทุกหนเลย ในใจนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันก็มีเหมือนกันหมดเลยอยงนั้นที่นี่เมื่อความอยากความปราดธนาอะไรมันเกิดขึ้นหมายเอาความอยากอไปในทางที่มันเป็นมันขัดต่อธรรมต่อวินยัยหมายความว่าอย่างนั้นแหละอืมก็อดกั้นทนทานนะไม่รู้เอาหน้าแก่ความอยากนั้น เมื่อเราทบทวนดูแล้วว่าจิตใจมันอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้อย่างนี้นะเริ่มเอาพิจารณาดูแล้วเอ๊ะนี่มันขัดต่อธรรมะข้อนั้นมันขัดต่อวินยัยข้อนั้นเอเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็อดกันนะไม่อยากมันนะมนไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งมันไปเลยแม้เป็นคารือหัดก็เหมือนกันอไอความอยากนี่เมื่อมันเกินขอบเขตแห่งสินเนียแห่งธรรมออกไปแล้ว มันก็ไปทำบาป เ, เรื่องมันนะ่ะถ้ามันอยากได้เงินได้ทองมันแสวงหาโดยทางชอบโดยกฎหมายศีลธรรมไม่ไม่ได้ดังใจหวังแล้วอ่ามันก็คิดวางแผนไปหาเอาในทางรุ จ, จริตไปยื้อไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเข้าไปนี่บุคคลผู้รู้อำนาจแก่ความอยากแล้วมันก็นำทุกข์นำโทษ มาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นอยู่อย่างนี้นะดังนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงทรงสอนไว้ในธรรมข้อนี้ว่าไม่ให้รู้อานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นเมื่อมันอยากได้อะไรนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยสเสวงหาไปตามความต้องการนั้นเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไร ไม่ว่านักบวดไม่ว่าขรึมหัดเหมือนกันนะล้วันนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้เราได้ดำริตรีตองว่ า, เ, าเราได้ยินดีในเสนาสะนะอันสงัดหรือไม่นี่อันเป็นขรึหัดนั่น ถ้าหากว่าไปม้วนสมอยู่ตั้งแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆมัวนสมอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลานั้นก็ไม่ดีน<ม>ะเรีวยกว่าคล้ายๆกับว่าจิตใจนันไปสั่งสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจอย่างรุนแรงทีเดียวะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายัางได้วางระเบียบไว้ว่า เจ็ดวันต้องให้เข้าวัดซะครั้งหนึ่งอย่างนี้ทำบุญถวายทานสมาทานสินอุโมสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทําระสาสางกายวาจาใจนี้ให้สะอาดไปได้ไม่มากก็น้อยอเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเป็นวันพระชิดอย่างนี้นี่ก็ยิ่งต้องการความ สถานที่อันสงบระงับมากทีเดียวเพราะว่าวันพระชิตนี่ไม่ได้มีการค้าการขายไม่ได้มีการสังคมติดต่อการค้าการขายการงานต่างๆอะไรหมดนี้ไม่มีอ่ะนั่นอันเป็นวันพระชิตนี่มีหน้าที่ที่จะต้องหาลีกเล่นอยู่นี่ที่สงบสงัดแล้วก็ได้เล่าเรียนธรรมวินยัยท่องบนจดจำเอาก็ จำได้ดีเมื่อได้มาอยู่ในที่สงบสงัดแล้วนะการเรียนการจำมันได้ก็คล่องแค่วดีแล้วการเจริญสมถาอิปัตนาก็สะดวกดีอาศัยความส ง, สงบสงบภายนอกช่วยให้ภายในจิตใจอีกต่อหนึง่งนี่ที่พระศ า, าสดาทรงแนะนำให้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดนะ มันก็มีความหมายอย่างนี้แหละเมื่อมีความหมายแล้วเราเรียนรู้แล้วอย่างนี้ไม่ลงมือปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ผลอะไรไม่มีทางก้าวหน้าไปได้ในทางธรรม ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้แล้วอย่างนี้เรก็ต้องลงมือปฏิบัติไปตามโน้มจิตใจไปหาความสมบงบสงัดเข้าไปไม่ปราถนาอยากจะคลุกคลีกับคนหมู่มากอันไม่เป็นเรื่องที่ไม่จาเป็นนะ นั่นไงถ้าจำเป็นก็อาทําไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่จำเป็นแล้วก็โน้มใจไปสู่ความงสงบสงัดนี่ข้อสุดท้ายว่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งยังไม่มาสู่อาวาส เ, เพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีสินซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสก็ขอให้มา เมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขที่พระ อ, องค์เจ้าทรงสแสดงทำข้อนี้ไว้ก็เพราะว่าพระภิกษุสามเณรที่เป็นคนทุศีนก็มีอเราก็อย่าไปป่าถนาเลยพระภิกษุสามเณรทุศีนไม่เคารพต่อธรรมวินัยเราไม่ป่าถนาที่จะสังคมดังนั้นเราก็อธิษฐานในใจว่าอขอให้ท่านภิกษุสามเณรที่เป็นผู้มีศีนนั่น ขอให้มาสู่อาวาสของเราถ้าเมื่อท่านเหล่านั้นมาแล้วเราก็ยินดีต้อนรับขับสู้อำนวยความสะดวกให้เท่าที่จะพึ่งกระทาได้ด้วยความเต็มใจอืเราคิดอย่างนี้แล้วก็ธรรมะข้อนี้นะถ้าพูดถึงผลแล้วก็หมายถึงว่าเป็นอุบายคาจัดความหวงแหนในเสนาชนะที่อยู่ที่อาศัย เราไม่หวงเห็เาท่านผู้ใดถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมบันดีงามแล้วนี่มนเลยนี่มนมาได้อต่ใจยินดีต้อนรับจัดที่อยู่ที่อาศัยให้เท่าที่จะจัดให้ได้นี่แสดงว่าจิตใจนั้นไม่ไม่หวงเสนาสนะมันก็เป็นอวายละกิเลสอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำทั้งเจ็ดประการนี่นะ เมื่อผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวความเสื่มไม่มีเลยโดยเฉพาะภิกษุสามเณรนี่แหละจะไม่มีความเสื่มจากพรหมจรรย์นนะอย่างน้อยก็ทำกิเลสอันหยาบยาบนั่นให้เบาบางไปเรื่อยๆทีเดียวตลอดถึงกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดอะไรก็สามารถที่จะทำให้เบาบางไปได้ เป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่นํามาแสดงนี้นะมันก็ล้วนตั้งแสบเป็นข้อปฏิบททัติทางนั้นเลยเป็นเครื่องกําจัดกิเลเสเช่นมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะก็เป็นเครื่องกําจัดความเกียดคร้านนะนั่นแหละความเกียดขร้านในข้อวัตถิบัติออกไปทีนี้การที่ตั้งอกตั้งใจมา ประชมุมให้ให้ทันกับเวล่ำเวลาหมูนี้อก็เป็นการกําจัดความเช่วยชา้าความเลินเลิอความประมาทพราะไม่เอาใจใส่ในข้อวัตรปฏิบัติออกไปนี่ความเป็นผู้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นหมูนี่มันก็ล้วนแต่เป็นความไม่ประมาทต่อพระวินยัยพุทธบัญญัติต่างๆ เราทรงไว้ซึ่งวินัยที่พระองค์เจ้าบัญญัติไปแล้วนั้น <Yeah. S 1> การที่เราแสดงความเคารพนับถือเชื่อถ้อยฟังคำพระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิในธรรมในวินัยดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ทำให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยไปตามกันไปไม่นอกธรรมนอกวินัย กระทาให้กิเลสตัณหามันเบาบางไปเพราะความเคารพจำเกรงนี่แหละมันเป็นอีกกำลังหนึ่งช่วยให้ใจของเราโน้มลงสู่ธรรมะเหล่านี้ไม่ปรุงแต่งไปในทางกิเลสตัณหานี่ไอความไม่รู้อำนาจแก่ความอยากนี่ก็นับว่าสำคัญมากทีเดียวดะนั้นพิ่งว่าสังวรระวังไว้เป็นผู้ที่มีความอยากอยู่ในขอบเขต ในธรรมในวินัยให้ได้ก็จะเป็นผู้ไม่ได้ทำบาปผู้ง่ายๆเป็นอย่างนั้นเป็นผู้ยินดีในเสนาสะนะอันสงัดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ประกอบความเพียรทางจิตใจเจริญสมถาวิปัฏนาไในเต็มที่การปฏิสันฐานต้อนรับกัะยาณมิตรผู้มีศีลธรรมอันดีงามหมู่นี้มันก็ล่วนตั้งแต่ เป็นอุบายที่จะได้ชักชวนกันประพฤติพรหมจรรย์ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป